พระบัญญัติแปดก็ภิกษุณีใดยืนเคียงคู่กันหรือสนทนากันสองต่อสองกับชายในโอกาสที่กำบังต้องอบัตติยตีเรื่องภิกษุณีอันเตวาสนีของพระพัตาศปิลานีจบ